ใช้นี่นกกระสาฉับพลันท่านก็ระลึกนึกถึงกรรมที่ได้ทำไว้กับเจ้านกตัวนั้นจึงตอบในใจว่ารู้แล้วเอาเถอะเราขอชดใช้บาปที่เคยทำกรรมที่เคยก่อจะได้ไม่ต้องมีหนี้สินติดตัวไปในพบหน้าแล้วท่านจึงกำหนดลืมตาหรือเวลาอีกสิบห้านาที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 ตรงเวลาดีจริงนายสมชายถือย่ามเดินลงมาก่อนเขาดีใจที่วันนี้ไม่ต้องทำหน้าที่ขับรถเพราะท่านพระครูบอกว่าผู้พันรับอาสาขับรถมารับและมาส่งศิรวัดลงไปแล้วท่านพระครูจึงกาหนดยืนหนอพร้อมกับลุกขึ้นยืนเมื่อเดินไปยังบันไดก็กาหนดเดินหนอเดินหนอและเมื่อก้าวลงบันได ท่านก็กําหนดยกหนอเหยียบหนออ น, นิจจาแม้จะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาทุกขณะจิตแต่ในเมื่อถึงการที่อกุศลกรรมมาให้ผลก็เกิดเหตุขึ้นจนได้ท่านพลัดตกลงมานั่งพับเพียบแต้อยู่บนแท่นพักบันไดรู้สึกปวดแปลบที่ขาข้างขวา และท่านก็รู้ว่ามันหักเรียบร้อยไปแล้วเพราะกรรมที่เคยหักขานกเสียงเหมือนของหนักตกลงมาทำให้นายสมชายเปิดประตูเข้ามาดูเห็นท่านเจ้าของกุฏินั่งพับเพียบอยู่บนแท่นพักชายหนุ่มก็พอจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นหลุมพ้อตกบันไดหรือครับถามอย่างตกใจ เจ้ากำนายเวรเขาหมัดหวงท่านพระครูตอบพลางกำหนดปวดหนอปวดหนออยู่ในใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับถามพลางวิ่งเข้าไปประคองไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่ขาหักตอบหน้าตาเฉยขาหักนายสมชายพูดเสียงดังเมื่อดีนคําตอบเขารีบเปิดประตูออกมารายงานพันโทวิศผูพ้พันครับ หลวงพ่อตกบันไดขาหักพันโทหนุ่มใหญ่รีบเข้ามาช่วยกันกับนายสมชายประคองท่านออกมานั่งยังอาสนะอาจารย์ชิดต้องพักเดินจงกรมแล้วเข้ามานั่งใกล้กๆด้วยความเป็นห่วงผมจะนำท่านส่งโรงพยาบาลนะครับพันโทวิทย์พูดใจนั้นนึกกังวลว่าคงจะไปไม่ทันเลิกอย่างแน่นอนท่านพระครูรู้ใจจึงว่า ไม่ต้องรอกผู้พันยังไงยังไงอาตมาก็ต้องไปให้ทันเริกเขาขอพักห้านาทีเท่านั้นอาจารย์ชิดแย้งขึ้นว่าแต่ลุงพ่อขาหักนะครับจะทนปวดไววหรือครับไหวหรือไม่ไหวอาตมาก็ต้องทนเพราะอาตมากำลังใช้นี่กรรม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 คนทั้งสองเข้ามาจะประคองท่านให้ลุกขึ้นหากท่านห้ามไว้ไม่ต้องอจตัมมาลุกเองได้แล้วท่านก็ค่อยๆลุกขึ้นเมื่อเท้าแตะพื้นความเจ็บปวดประดังขึ้นมาเป็นร้อยเท่าทวีคูณกระนั้นท่านก็แข็งใจเดินแต่ละย่างก้าวสร้างความเจ็บปวดแก่ท่านจนแทบน้ำตาร่วง จึงจำต้องกำหนดปวดหนอปวดหนออยู่ตลอดเวลาลุงลุงน่าใจหรือฮอว่าจะเดินไหวในคุณทองถามพลางเดินตามไปส่งที่รถอาจารย์ชิดนั้นรู้สึกสงสารท่านจนอยากจะร้องไห้ท่านคงเจ็บปวดมากยิ่งกว่าเขาปวดแผลหลายเท่านักแน่ใจสิว่าแต่เองช่วยดูแลโยมเขาให้ดี วันนี้ข้าไม่ได้ออกบินธบาทเพราะฉะนั้นเองต้องไปเอาอาหารที่โรงครัวมาให้โยมเขาทั้งมื้อเช้าและมื้อเพนอย่าเอาแต่นอนละ่ะท่านแสดงความห่วงใยคนป่วยทั้งที่ท่านเองก็กำลังเผชิญกับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสเห็นท่านเดินเกือบเหมือนคนปกติเพียงแต่ช้ากว่าพันโทหนุ่มใหญ่จึงคิดว่า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 หักสิผู้พันอาตมารู้ว่าหักแน่เพราะเขามาเตือนก่อนแล้วว่าวันนี้ใช้นี่นกกระสาและอาตมาก็ได้ใช้แล้วถ้าอย่างนั้นก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มากที่หลวงพ่อยังเดินได้อัศจรรย์เหลือเกินเขาว่าและหากไม่มาเห็นกับตาก็คงไม่เชื่อ แต่มันก็ปวดจนน้ำตาแทบหยดเทียวละ่ะนี่ถ้าเป็นคนธรรมดาก็ต้องเดินไม่ได้อัตมาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษนะผู้พันอย่าเพิ่งเข้าใจผิดท่านรีบออกตัวไว้ก่อนเพราะคนธรรมดาในที่นี้อัตมาหมายถึงคนที่ไม่เคยฝึกจิตนะเพราะเขา จะไม่สามารถทนต่อความเจ็บปวดได้ต้องอาศัยพลังจิตใช่ไหมครับถูกแล้วตอนที่หลวงพ่อนั่งหลับตาทำปากขมุกขมิบนั่นหลวงพ่อท่องคาถาหรือเปล่าครับคนกำลังขับรถถามอีกใช่อาตมมาใช้คาถาของพระโมกขลานะเป็นคาถาประสานกระดูก ตอนที่ท่านถูกพวกโจรทุบจนกระดูกแหลกเป็นมเมล็ดข้าวสารหักซึ่งที่จริงต้องปรินิพานเพราะคนที่ถูกทุบจนกระดูกแหลกอย่างนั้นต้องตายจริงไหมครับนอกจากผู้วิเศษเท่านั้นถึงจะไม่ตายนั่นสิท่านพระโมคคัลลานะท่านเป็นผู้วิเศษเพราะนอกจากท่าน จะเป็นพระอระหันต์แล้วท่านยังได้อภิน ญ, ญาหกอีกด้วยคือท่านเป็นพระอระหันต์ประเภทฉลภิญญาแต่ถึงกรณ์นั้นท่านก็ยังหนีกรรมไม่พ้นในอดีตชาติท่านเคยทุบตีพ่อแม่เมื่อจะปรินิพพานก็ต้องชดใช้กรรมนั้นแต่ท่านก็มีคาถาประสานกระดูกนี่ครับ ถึงยังไงก็คงไม่รู้สึกว่ามันเจ็บปวดนายสมชายออกความเห็นบ้างถึงมีคาถาก็ปวดฉันเองก็ปวดแทบขาดใจอยู่นี่คาถาไม่ได้ช่วยให้หายปวดนะเพียงแต่ช่วยให้กระดูกมันมาประสานกันพอที่จะดำรงอั ต, ตภาพอยู่ได้แต่ก็ไม่เหมือนเดิม ท่านถึงเหาะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลขออนุญาตปรินิพานแปลว่าถ้าพระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตท่านพระโมคคัลลานะก็ปรินิพานไม่ได้ใช่ไหมครับสิทวัดถามอีกต้องเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่งอนุญาตพระทรงทราบว่าอัคคระสาวกทั้งสองจะต้องปรินิพาน ก่อนพระองค์หลังจากพระโมคคลานะปรินิพานได้ไม่นานพระสารีบุตรก็ปรินิพานหลวงพ่อครับพระโมคขลานะท่านเหาะเหินเดินอากาศได้จริงๆหรือครับคราวนี้คนถามเป็นนายทหารโยมไม่เชื่ออย่างนั้นหรือท่านย้อนถามก็เชื่อเหมือนกันครับแต่ไม่ค่อยมั่นใจ เพราะมันขัดกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ถ้าผู้พันอยากจะเชื่ออย่างมั่นใจก็ต้องทิ้งวิทยาศาสตร์แล้วก็มันจเจริญกรรมาฐานเอาละอตมาจะไม่พูดอะไรมากแต่จะขอทํานายไว้ว่าในอนาคตพวกฝรั่งเขาจะเชื่อเรื่องเหล่านี้กันมากขึ้นพวกเขาจะหันมานับถือ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 จะศักดิ์สิทธิ์ก็เฉพาะคนที่ฝึกสมาธิเท่านั้นคนที่ไม่เคยฝึกจิตถึงจะได้ไปก็ไรประโยชน์ถ้าเธออยากได้จริงๆก็ต้องมันเจริญกรรมฐานจิตถึงขั้นเมื่อไร่แล้วจะให้ถ้าอย่างนั้นผมไม่เอาก็ได้ครับเพราะผมคงไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อว่า ชายหนุ่มปฏิเสธอย่างนิ่มนวลชื่อคาถาอะไรนะครับคนกำลังขับรถถามคาถาพระโมคขลาประสานกรดุแต่พูดก็พูดเถอะถึงจะมีคาถาอาคมหลังเพียงใดก้อนนี้กดแห่งกรรมไปไม่พน้นก็พระโมคคลานะท่านเป็นถึงผู้วิเศษมีฤทธิ์เดช เหาอเหินเดินอากาศได้ก็ยังต้องถูกกฎแห่งกรรมลงโทษจนต้องปรินิพานแล้วที่หลวงพ่อตกบันไดเพราะกรรมอะไรครับนายทหารถามทั้งที่แสนจะเกรงใจท่านพระครูจึงเล่าให้ฟังว่าเพราะกรรมที่อาตมาเคยหักขานกกระสา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 มันไม่ตายแค่ปีกหักบินไม่ได้แต่สัญชาตญาณแห่งการรักชีวิตทำให้มันวิ่งหนีอาตมาก็วิ่งตามตามจนเหนื่อยหอบแฮกแกมันเองก็คงเหนื่อยประกอบกับเจ็บที่ปีกด้วยพออาตมาหยุดหอบมันก็หยุดวิ่งพออาตมาวิ่ง มันถึงจะวิ่งก็ตามจับกันอยู่นานกระทั่งมันวิ่งไม่ไหวด้วยความแค้นพอจับได้อัตมาหักขามันทันทีโทษฐานที่ทำให้เหนื่อยอยากวิ่งเก่งนักเลยหักขามันทั้งสองข้างเลยหักขาแล้วอัตมาก็โยนทิ้งแถมพูดกับมันอีกว่าเอาสิวิ่งหนีอีกสิ เก่งจริงก็วิ่งไปเลยโอ้โหตอนนั้นอาตมาใจคอโหดเหี้ยมมากไม่นึกกลัวบาปกลัวกรรมทั้งที่ยายสอนจนปากเปียกปากแฉะที่ไม่กลัวเพราะไม่เชื่อว่าบาปกรรมจะมีจริงท่านระลึกนึกย้อนไปถึงอดีตขณะเล่าแล้วตอนนี้หลวงพ่อชื่อหรือยังครับ นายสมชายถือโอกาสเยา้าท่านพระครูไม่ตอบโดยไม่ต้องการจะปะทะคารมกับเขาต่อหน้าพันโทหนุ่มใหญ่เมื่อรถมาจอดหน้าบ้านเจ้าภาพกุลีกุจอลงมาต้อนรับโดยเฉพาะนางสาวบงกฎรัตซึ่งเฝ้าชเชิงเธอแงด้วยใจจดจอ่ออยู่กับนายทหารหนุ่มใหญ่ผู้นั้นก่อนลงจากรถท่านพระครูพูดกับคนทั้งสองว่า เรื่องอัตามาขาหักไม่ต้องบอกให้เจ้าภาพเขารู้นะประเดี๋ยวเขาจะเป็นกังวลบิดาของนางสาวบงกฎรัฐทำหน้าที่เปิดประตูรถให้ท่านพระครูส่วนนายสมชายกับพันโทวิต์ต่างก็เปิดประตูรถลงมาเองคนเป็นทหารทำความเคารพว่าที่พ่อตาพลางหันไปมองคนรักชุดไทยสีครีมที่หล่อนสวมใส่ กับกริยา น, นบไหวท่านพระครูอย่างนอบน้อมทำให้หล่อนดูเป็นกุลสตรีเต็มตัวเขาชอบผู้หญิงไทยที่แต่งตัวแบบไทยๆชอบมากแล้วก็ไม่อยากเห็นพวกหล่อนนุ่งยีนนิมนต์ข้างในเลยครับเจ้าภาพเชื้อเชิญพลางเดินนำท่านเข้าไปข้างในซึ่งมีพระอันดับแปดรูปและแขกเรือนั่งอยู่เต็ม เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเดินพลางกำหนดปวดหนอปวดหนอไปด้วยกระทั่งเข้าไปนั่งพับเพียบอยู่ตรงหัวแถวแม้จะรู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวตรงขาดข้างที่หักแต่ท่านก็ใช้สติข่มเวทนาด้วยการระลึกรู้อยู่ว่ากำลังเสวยผลของกรรมดำคุณแม่ไปไหนท่านพระครูถามนางสาวบงกฎรัต กำลังดูแลเรื่องอาหารอยู่ในครัวค่ะล่อนตอบไปตามมานั่งฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ด้วยกันที่นี่บอกหลวงพ่อให้ตามหญิงสาวจึงลุกออกไปครูหนึ่งก็เดินตามหลังมันดาเข้ามาสตรีวัยห้าสิบกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วว่าดิฉันต้องขอตัวค่ะหลวงพ่อต้องไปเตรียมอาหารถวายพระค่ะ ไปไม่ได้อาตมาไม่อนุญาตเพราะอยากให้โยมได้บุญโยมอยากได้บุญไมหมเล่าท่านถามอยากค่ะหลวงพ่อที่ดิฉันทำบุญนี่ก็เพราะอยากได้บุญค่ะมารดาของนางสาวบงกฎรัฐตอบนั่นสิเพราะฉันนั้นโยมจะต้องตั้งใจรับศีลรับพร ไม่ใช่ไปคลุกอยู่ในครัวเรื่องอาหารให้เป็นหน้าที่ของพวกแม่ครัวเขาจัดการกันเองเอาละได้เวลาตามฤกิกแล้วญาติโยมตั้งใจรับศีลและฟังพระเจริญพระพุทธมนต์กันต่อไปท่านพระครูบอกเจ้าภาพและบรรดาผู้ที่มาร่วมงานพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาประมาณ9ก้านาฬกาพระสงฆ์แปดรูปลาท่านพระครูกลับวัดซึ่งอยู่ใกล้ๆ ก, กับบ้านงานเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงยังไม่กลับท่านให้เหตุผลว่าอาตมามาทีหลังก็ต้องกลับทีหลังหากเหตุผลที่แท้จริงนั้นท่านต้องการให้คนเป็นทหารกับคนเป็นสิทธ์ได้รับประทานข้าวปลาอาหารเสียก่อนโดยเฉพาะ คนเป็นทหารนั้นคงจะยังไม่อยากกลับเป็นแน่บิดาของนางสาวบงกฎรัตรับหน้าที่เดินไปส่งพระสงฆ์ทั้งแปดรูปขณะที่พัญยาและบุตรสาวช่วยกันจัดอาหารและเครื่องดื่มมาบริการแขกที่ไปร่วมงานทุกคนต่างมีจิตใจผ่องใสเพราะอิ่มบุญท่านพระครูเองก็มีจิตผ่องใสแม้กายจะทุกข์ทรมาน เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงออกจากบ้านงานเมื่อเวลาสิบนาฬิกาพอดีพอดีพันธวิทย์ขับตรงเข้าตัวจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อจะนำท่านไปโรงพยาบาลทั้งที่นั่งหลับตาท่านพระครูก็รู้ว่าไม่ใช่เส้นทางไปวัดป่ามะม่วงจึงถามว่าผู้พันจะพาอัตมาไปไหนไปให้หมอขอดุดขาของหลวงพ่อหน่อยครับขอบใจ แต่อาตมาบอกแล้วว่าจะชดใช้กรรมอย่าให้อาตมาต้องเสียความตั้งใจเลยนะโปรดเลี้ยวรถกลับเถอะอาตมาขอร้องในทหารหนุ่มใหญ่จึงจำต้องทำตามความประสงค์ของท่านไปให้หมอเขาดูหน่อยไม่ดีหรือครับหลวงพ่อนายสมชายว่าไม่ดีแน่ ก็ฉันบอกแล้วว่ามันเป็นโรคกรรมมดหมอที่ไหนก็ช่วยไม่ได้นี่ยังดีนะที่หักข้างเดียวที่จริงต้องหักทั้งสองข้างเหมือนอย่างที่ทำเขาไว้ท่านหมายถึงเจ้านกกระสาตัวนั้นเขาอาจจะเอาทีละข้างก็ได้คราวนี้ข้างขวาคราวหน้าข้างซ้าย นายสมชายพูดตามประษาคนพูดมากปากมอมสมชายรู้สึกว่าคุณพูดไม่ค่อยจะสวยเลยนะในทหารเตือนไกลๆสิทธ์วัดจึงจำต้องปิดปากเงียบหลุงพ่อยังรู้สึกปวดอยู่หรือเปล่าครับคนกำลังขับรถถามปวดสิผู้พันปวดตลอดเวลาเชียวแหละแต่ตอนนั่ง ปวดน้อยกว่าตอนเดินไม่เป็นไรหรอกผู้พันไม่ต้องเป็นห่วงอีกเดือนเดียวก็จะหายเป็นปกติโชคดีที่ไม่ได้รับนิมนต์ใครไว้ก็ว่าจะถือโอกาสพักผ่อนและเขียนหนังสือให้เสร็จหลวงพ่อทราบลูกหน้าหรือเปล่าครับว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ไม่ทราบหรอกผู้พันเขาเพิ่งจะมาบอกเมื่อเช้า ตอน6โมงอาตมาหมายถึงเจ้ากรรมนายเวณนะอีก15นาทีหลังจากนั้นอัตมาก็ตกบันไดผู้พันคิดดูก็แล้วกันอัตมาขึ้นลงบันไดนี้ทุกวันแล้วก็ทำอย่างนี้มาเกือบจะ20ปีโดยไม่เคยตกเรียกว่าหลับตาเดินขึ้นเดินลงก็ยังได้ ไม่ความว่าถ้าไม่เป็นเพราะกรรมที่เคยหักขานกหลวงพ่อก็จะไม่พลัดตกลงมาใช่ไหมครับก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอาตมากำหนดสติอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถผู้พันเห็นหรืออย่างว่ากฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยปรานีใครแล้วก็ไม่เคยขอรับท่นหลวงพ่อครับแต่คนทุกวันนี้เขาไม่ค่อยเชื่อกันว่า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 แต่ได้ขึ้นสวรรค์ก็ยังดีกว่าเป็นคนฉลาดและตกนรกครับนายทหารตอบสิงดังฟังชัดโอ้โหผู้พันตอบสมกับเป็นชายชานทหารกล้าเลยเฉียวอาตมาขออนุโมทนาเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงชมพลางกำหนดปวดหนอปวดหนออยู่ในใจ